6. บินดาจาริกะวัตตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติของภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทสมัยนั้นภิกษุผู้เที่ยวบินทบาททั้งหลายนุ่งไม่เรียบร้อย ห่มไม่เรียบร้อยไม่มีมารยาทเที่ยวบินทบบาทไม่สังเกตเข้าบ้านบ้างไม่สังเกตออกไปบ้างรีบร้อนเข้าไปบ้างรีบร้อนออกไปบ้างยืนไกลเกินไปบ้างยืนใกล้เกินไปบ้างยืนนานเกินไปบ้างกลับเร็วเกินไปบ้างภิกษุผู้เที่ยวบินทบบาทเป็นวัดรูปหนึ่งไม่ทันสังเกต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 ภิกษุนี้ไม่ได้ทำมิดีมิร้ายฉันภิกษุนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วให้ปล่อยภิกษุนั้นไปภิกษุนั้นกลับไปอารามแล้วบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุอื่นทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยตาหนิประนามโพลทนาว่าชะไหนภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทเป็นวัดจึงนุ่งไม่เรียบร้อยหมไม่เรียบร้อย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 เราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้เที่ยวบินทบาททั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้เที่ยวบินทบาททั้งหลายต้องประพฤติชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทเป็นวัดคิดว่าเวลานี้เราจะเข้าบ้านพึงนุ่งปกปิดมนทนสามให้เรียบร้อยคาดประคดเอวห่มผ้าสังคาติที่พับซ้อนกันไว้ กลัดลูกดุมล้างบาทแล้วถืออย่างสำรวมเข้าบ้านโดยไม่รีบร้อนพึงปกปิดกายให้ดีไปในละแวะกบ้านพึงสำรวมดีไปในละแวะกบ้านพึงทอดจักสุลงไปในละแวะกบ้านไม่พึงเวกผ้าไปในละแวะกบ้านไม่พึงหัวเราะดังไปในละแวะกบ้าน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 พึงสังเกตว่าเขาประสงค์จะถวายแกงหรือไม่ประสงค์จะถวายถ้าเขาจับทัพผีหรือจับภาชนะหรือตั้งภาชนะไว้พึงยืนกำหนดว่าเขาประสงค์จะถวายหรือถ้าเขาถวายแล้วใช้ผ้าสังคาติคลุมบาทไม่ต้องรีบร้อนกลับยยางสำรวม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 ถ้าเป็นเรื่องสุดวิสัยก็กวักมือเรียกเพื่อนมาให้ช่วยกันจัดแต่ไม่พึงออกคําสั่งเพราะเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายนี้คือวัดของภิกษุผู้เที่ยวบินทบาททั้งหลายโดยที่ภิกษุผู้เที่ยวบินทบาททั้งหลายต้องประพฤติชอบ